อาจารย์ครับการรัฐประการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับอาจารย์ครับว่าอาจารย์เมื่อเช้าคนเยอะไหมครับผมสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าคนโอ้โหสมควรสมควรแล้วตอนบ่ายฟังธรรมมันเยอะไหมครับอาจารย์เก้าร้อยกว่าเก้<อ>ารนะ้อยผมไม่ หมายถึงที่ที่บ้านด้วยที่ที่นาคุติด้วย<อ>ราาประมาณก็ประมาณเก้าร้อยกว่าแต่ที่นาคุติประมาณร้อยแปดสิบครับผ ม, ผมก็ถือว่าแน่นเลยนะครับอาจารย์คกบพอสมควรนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ฟังก็พันกว่าคนแล้วครับอาจารย์ที่ที่ี่ฟังอยู่ด้วยกันครับอาจารย์ทหมบเนุณใช่ครับพันกว่านค น, นครับ เ mm hmm. นนั้นจะห้าร้อยกว่าที่ปอาจารย์เห็นแต่ในทิกตอกอีกห้าร้อยกว่าคนครับผมอืท mm ิกตอกนี่ปรากฏว่าคนฟังธรรมะเยอะนะครับป้าจา์ mm hmm. ผิดคาด <laughs> mm hmm. ป้าจา์ครับวันนี้ผมอยากฟังเกี่ยวกับอเทวธรรมะครับ เ, เกี่ยวกับเรื่องอา่าพิริโอตปะครับอาจารย์วันนี้ขอปัญญาจากปอาจานเรื่องนี้ครั บ, บขอบขอเมตตาครับผม อิเลยทเอุตบปากก็คือความละอายและความกลัวบาปนั่นเองคือการกระทำบาปนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยกย่องนักบา่านไม่ยกย่องคนทำบา ค, คนทำความเชื่อคนที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อนก็คนที่มีความอายคือ ทำแล้วจำถูกประนามไม่ถูกยกยอ่อมก็จะมีความอายไม่กล้าไม่กล้าทำไม่กล้าทาบาปเพราะทำไปแล้วนี่จะทำให้ทนเองนี้กลายเป็นคนด้อยค่าไปคนไม่มีคนาาค้าราคาแล้วก็โอตปะก็คือความกลัวผลของบาป ท, ที่จะตามมาผลของบาทมันก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันทำบาปแล้วใจังไม่สบายใจจะ ใจจะมีความรู้สึกทุกขรู้สึกกังวลแล้วก็อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนแล้วผลที่จะตามมาคือของจากที่ตายไปแล้วใจก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดในที่สี่แห่งด้วยกันอบายสี่สถานถ้าทําบาปด้วยความหลงก็ด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุะกายทำบาปด้วยความอาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปนรกนี่คือผลที่จะตามมาจากการไม่กลูบาปไม่กลัวบาปก็จะก็จะทำบาปใครที่ไม่กลัวก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องบาปเลนะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่ใช่ว่าทำบาปแล้วมีผลตามมาคนพวกนี้มันจะคิดว่าตายแล้วสูญเงินเพราะมองไปที่ร่างกายเพียงส่วนเดียวไม่รู้จักใจว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่จะไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ลาบาปต่อไปแล้วก็ที่จะกลับมาเกิดใหม่ก็คือใจธาตุรู้ในผู้รู้ผู้คิดเนี่ย ขณะที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ด้ยวยอนุวิญญาณดนุวิญญาณนค่มีที่ไปสองแห่งไปสู่สุคติหรือ ไ, ไปสู่ทุคติอัณห์สังขารตัณหานิพพานตา อ, อใหาสู่ ส, สนนา น, สส น, นติตตสุาติเปานตัวหานิพพานตัณหานิพพานตัณหานิพจ า, กกาขอของค น, นัพนค น, น แต่เกิดจากการไม่มีเฮเรโอตปะนี่แหละถ้ามีเฮเรโอตปาก็จะไม่กล้าทําบาปเมื่อไม่ทําบาปมันก็จะไม่มีผลที่จะท่องไปไปเกิดในทุกขติในอบายคนที่มีความกลัวบาปคนที่อมีความเชื่อในบุญในสวรรค์ก็จะทําบุญทําแต่ความดีนะคร ความดีนี้หนละจะเป็นผู้ที่จะส่งให้เขาได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติต่อไปเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมฮีรรโอตปานี้มีไว้เพื่อยับยับ้งการกระทบาปแต่การจะไปเป็นเทวดานอกจากการมีฮีรรโอตปาแล้วก็ต้องมีเมตตารกรุณาด้วยต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ความสุขให้แก่ผู้อื่นหรือช่วยบรรเทาวความทุกข์ยากต่างๆของผู้อันนี้เป็นต้องมีพรหมไม้หานสีด้วยสรุก็คือต้องจากมีเฮรีโอตปะแล้วก็ต้องมีพรหมไม้หานสีถ้ามีเฮริโอตปะไม่ทำบาปเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทําบุญก็ไม่ได้ไปสวรรค์ยังไม่ได้เป็นเทวดาก็จะกลับมาเป็นมนุษย์กลับมาเป็นคน คนดีคนดีไม่ไปทำความเสียหายทำความชั่วกับผู้แต่ถ้าจะเป็นเทวดาด้วยนันจำป็นที่ต้องมีพรห ม, มหารมีความเมตตากรุณาเมตตาและอุเบกขาอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของของผู้ที่จะไปสู่ภพชาติที่สูงไปสู่สุกติ งแต่ชั้นเทพขึไปเลยถึงขั้นพรมถึงชั้นพระอริยบุคคลบุกคนเหล่านี้เขาจะมีฮิเดโอดตรปากันเขาจะไม่เขาจะไม่ทําบาปเพราะเพราเขารู้ว่าการทําบาปมันผลจะเกิดขึ้นไม่ดีกับใจของเราทําน้องใจจะไม่สบายเขาจะทําแต่ความดีเพราะก็เห็นผลจากการทำความดีก็ทําได้ก็มีความสุขใจอิ่มใจสบายใจ นี่ก็คือสนุกง่ายๆเราก็ไม่เป็นลูกซึงเท่าไหร่มากานี้อาจารย์ครับแล้วทำไมความคุณธรรมสองอย่างนี้มันถึงติดอยู่ในใจบางคนแต่ไม่อยู่กับบางคนครับอาจารย์อย่างเด็กๆเราก็อยู่ที่ได้ไ ด, ได้ได้รับการอบรมสัซ้อนมากหรือไม่ เด็ที่มาเกิดในครอบครัวที่มีฮีิโอต์แต่พาะแม่มีฮีริโอต์ปะพ่อแม่ก็จะคอยสอนคอยห้ามการลูกทำบาปก็จะห้ามปามแล้วก็อาจจะมีการลงโทษเพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้ให้จดจําว่าการทําบาปนี้มีผลเสียตามมาเคยได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าไม่ได้ทำในตัวเองแต่บางคนเคยมีมาแล้วในตัวเองเคยได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วมาจากอดีตชาติ อันนี้เขาก็จะมีเฮิโอตปาติดตัวมาและเขาอาจจะทำอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติก็าเขาไปเป็นเทวดาตายไปก็ไปเป็นเทวดาตายไปก็ไม่ได้ไปรับไปเกิดในอบายมันก็อาจจะติดเป็นฝังในิสัยในชั้นใดของเขาขึ้นมาก็ได้เป็นของเก่าเลยใช่ไหมครับนั้นติโมาตรงเ่าถ้าไม่มีก็ต้องอาศัย ได้รับ ก, การอบรมสัสอนใหม่เช่นถ้าพบเนชชานี่มาเกิดในาศาสนาพุทธในศาสนาเขาจะสอนให้มีเฮโรเทปมีมีพรหมวิหารแต่ถ้าไปเกิดในประเทศที่เขาไม่มีาศาสนาเขาก็จะไม่ทำการสอนแบบนี้เขาจะสอนให้ใช้กลเม่ดกลต่างๆเพื่อจะให้มาเป็นสิ่งที่ตหนึ่งต้องการลาบยุบสนทเสริญ เพราะเขาไม่เชื่อว่ามีมีมีกฎแห่งกรรมเขาเชื่อว่าทุกอย่างสิ้นสุดลงเมื่อร่างกายตายไปถ้าคุณสามารถทําบาปนักเลงคุกตารางได้ก็ทําไปเลยยิ่งสมัยนี้การเงินนี้มันก็ทําเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้เพาระบบของกระบวนการยุติธรรมนี้่ถูกทําลายด้วยอำนาจเงินนี่ ผู้ที่มารับหน้าที่บางทีก็เอาหูไปแลวเอาตาไปได้เมื่อมีเงินเข้ามาในกระเป๋า <Yeah. S 1> คนที่ทำแบบํำบาปคนที่ทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องติดทุกข์ติดตารางสังคมในวันนี้จึงมุ่งไปที่การหาเงินอย่างเดียวั้งเงินหาอํานาจเมื่อมีเงินก็ซื้ออำนาจได้เมื่อมีอํานาจก็จะซื้อความผิดความถูก ความผิดก็ทําให้ถูกได้ความถูกก็ทําให้ผิดได้อ น, นี้คือสังคมของของผู้ที่ไม่มีเฮไม่โอตปะไม่มีพรมไม่หาสังคมของคนมืดบอดไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับมีคนถามมาอีกหลายคนเลยครับเกี่ยวกับเทวดาครับบอกว่าแล้วทาไมเทวดาเมื่อตายแล้วไปเกิดในอาบายภูมิได้อีกครับ อ๋อไม่ได้หรอกถ้าเป็นเทวดาเขาต้องไปเกิดไปเกิดเป็นเทวดาแนละ้วพอบุญที่ส่งไปเป็นเทวดาหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนยังไม่ได้ไปอบายทันทีจะไปอบายต่อก็ต่อมากมาเป็นมนุษย์มนุษย์แล้วมาทําบาปมากกว่าทาบุญซึ่งอาจจะเป็นไปได้กลับมาเกิดแล้วจากการเป็นเทวดากลับมาอาจจะไปเกิดในครอบครัวที่ไม่มีอิริอุตตะปะครอบครัวที่ชอบทําบาปทำอาชีพทาบาป ก็อาจจะถูกอ so, to mm ิท hmm. ธิพลของครอบครัวแล้วผู้ที่เราไปเกี่ยวข้องเงินชักจูงไปให้ไปทําบาปได้แร้วพอทําบาปมากกว่าทาบุญตายไปก็ทาวนี้รอบนี้ก็เลยไปไปอบายนเคยได้ยินว่าถ้าเราตายไปแล้วดวงจิตจะไปเกิดใหม่ทันทีแต่ทำไมดวงจิตบางคนยังวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปเกิดครับ ไม่ได้ไปเกิดทันทีเขาบอกทันทีไม่ได้หมายควาไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีแต่เป็นเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอะไรทันทีแต่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์ในราชานี้มันจะต้องรอมีมีที่เกิดคือต้องมีพ่อมีแม่ตั้งครรภ์แล้วมีจังมีโอกาสที่จะไปครอบครองร่างกายที่ตั้งครรภ์ได้ถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่มีจังหวะไม่มีโอกาส ก็ยังเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้นะเนื่เกิดเป็นสตัาาตว์เดรัจฉานไม่ได้มันมันมีเป็นปัจจัยอย่างอื่นคือต้องรอเช่นถ้าไม่มีพ่อไม่ีแม่มาผลิตโลูกมก็ดวงวิญญาณที่พ่อมที่แม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีร่างมนุษย์ให้มาครอบครองก็ต้องรอไปก่อนแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเทพก็เป็นเทพไปตั้งแต่ยังไม่ตายอยู่ ใร่างกายของคนเราคนเราเกิดมามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอาจจะได้พัฒนาเป็นเทพไปแล้วก็ได้จากการมีเหิโอุปาะจากการมีการมีพรหมวิหารอยูก็จะไปเป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นพระเรี้ยะบุคคลได้โดยที่ร่างกายยังไม่ตายไปพอร่างกายตายไปปั๊บจิต ด, ดวงวิญญาณก็จะเป็นก็จะเป็นเทพถ้าจิตดวงจิตเป็นเทพดวงวิญญาณก็จะเป็นเทพ จิตเป็นพรหมดวงวิญญาณก็จะเป็นพรหมจิตเป็นเปรตดวงวิญญาณก็จะเป็นเปรตอันนี้ทันทีมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายแต่ก็มีคำพูดว่านีนร่งกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเพราะใจขึ้นลงด้วยอำนาจของบุญของบาป ผลเกิดขึ้น ท, ทันทีไม่ใช่จตั้ ง, งมารอให้ตอนตายไปถึงจะกลายจากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นเปรตมันเป็นนั่นแต่ยังไม่ตายคุณว่านครับเพราะเหตุใดเมื่อเทวดาใกล้ตายแล้วเพื่อนเพื่อ น, เ, อนเทวดาด้วยกันที่ไปเยี่ยมจุไอพรอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ครับอันนี้ไม่ทราบนะเป็นละครหนระือเปล่าไม่ทราบเป็นเรื่องเล่ากันมาคือจอุไอพรอไม่ไอพรอมันไม่ได้อยู่ที่การไอพรอ นพรามันสิ้นจากเทวดามันก็ต้องม า, มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะต่างกับเทวดาภพที่จะร่างกรรมมาเกิดกันทุกคนก็คือภพของมนุษย์เมื่อบุญหรือ บ, บาป ท, ที่ได้ทําไว้มันมันหมดอำนาจที่จะดึงให้ไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอาบายดวงอินยานั้นก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์นขอบนุณอาจารย์นะครับในทิกตอกสามารถจะถามคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับ คุณวิรดาครับเป็นแม่บ้านครับต้องขจัดมดแมลงจะต้องทําอย่างไรดีเพื่อให้สิ้ครบครับก็อย่าไปทํามันเลยปล่อยให้มันอยู่ตามสภาพถ้ามีทานกั้นมันได้กั้นมันได้ก็กั้นไปกันไม่ได้กันไปให้เราคิดถึงว่าถ้าเราเป็นมดบ้านเราอยากจะถูกใครมาฆ่าเราไหมมดมันก็มีจิตใจเหมือนเรารักโลกวัวตายเหมือนเรามันก็ต้องริมดอนทํามหากินของมันไป ที่ไหนมีอาหารที่ไหนที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมันก็จะไปที่นั่นการที่มันมันขึ้นมาที่บ้านเราเพราะว่าเรามีอาหารให้มันกินมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกคนที่รักตัวกลัวตายต้องดิ้นวนต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของตนแม้ตัวเขาจะนิดเดียวก็ตามแต่ใจเขาใจเรานี่เหมือนกันเฉั้นถ้าเราคิดถึงโอบเขาโวกเราเราก็จะหาวิธี ป้องกันถ้าป้องกันได้หาวิธีไม่ให้เขาขึ้นมาแต่ไม่ไม่ไม่ไปทำร้ายชีวิตช่งเขาช่วงก่อนมีนิมิตบ่อยมากแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงทำไมจึงเกิดขึ้นได้อย่างนั้นครับก็ใจิตใจของบางคนอาจจะสามารถรับรู้เรื่องขอ ง, ของที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มีอภินยา อันนี้ก็บางคนก็มีตาทิพย์เรตาทิพูทิพย์สามารถรู้เหตุรู้นาคนได้พระพุทธเจ้าก็รู้เหตทนาคนได้คุณพีครับอันนี้คอมเมนต์ว่าอาทิตย์นี้ไม่มีคําถามแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ได้รู้จักพระอาจารย์ชีวิตดีขึ้นสุดๆเลยครับนิ่งขึ้นสงบขึ้นมีความสุขมากๆเลยมากับขอบคุณพระอาจารย์นะครับดีใจด้วย ที่ได้ทําคุณำทำประโยชน์ทําให้คนมีความสุขมากขึ้นเอาว่าเราให้ได้สุดสูงสุดสุดท่านสูงสุดในวันในวันหนึ่งในข้างหน้านี้ถ้าคนที่นับถือศาสนาพุทธเวลาตายไปแล้วสามารถจะไปเกิดในศาสนาอื่นได้ไหมครับได้วเวลาเกิดเราไม่สามารถเลือกที่เกิดได้เกิด <c oughs> เราอาจจะได้เกิดเปนนุแต่เราจะไม่ว่า <c oughs> ขอให้ไปเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนา ได้บางทีอาจจะไปเกิดในประเทศที่เขามีศาสนาอื่นแล้วไม่ไดแต่ถ้าเราเป็นพุทธที่แบบพุทธแท้เนี่มันจะไม่มันจะทําให้เราพยายามที่จะไปหาศาสนาพุทธเช่นชาวต่างชาติบางคนเกิดในในต่างประเทศมีศาสนาอื่นแต่คําสอนของศาสนาอื่นมันไม่ดึงดูดใจเขาแต่พอเขาได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาอ่านคําสอนพระเจ้ามันเมือนกัมั น, ม น, มน มันดูกันเลยมันเป็นหมายว่าเป็นสิ่งที่เขากําลังแสวงหาอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเคยมีอยู่แล้วตอนนี้เขากําลังกำลาก็สวงหาต่อพอได้พบ ก, กับคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ไฟ ก, ไฟก็ไฟคือแห่งศรัทธาก็เกิดขึ้นเลยแล้วก็สามารถที่จะดูดให้เข้ามาบวชในประเทศไทยได้นี่มีชับลูกสิษย์ของน้องซ้ายน้องนองอูชาเนี่ยมีเป็นชาวต่างประเทศเยอะมาก เพราะเขาอดีตชาติเขาอาจจะเคยเป็นพุทธมาก่อนอเขาถูกสอนให้ดูทุกอย่างตามกฎแห่งกรรมถูกสอนให้ดูตามหลักเหตุของผลไม่สอนให้เชื่อแบบงมงายสิ่งไหนที่เขาเชื่อแล้วเขาไม่ให้เขาเชื่อแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้เขาจะไม่ยอมรับแต่สิ่งไหนที่เขให้เชื่อแล้วเขาพิสูจน์ได้เขาจะยอมรับศาส น, นาพูดให้เชื่อเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วไปพิสูจน์ดูได้ เขาเข้าไปสู่แล้วก็เห็นจริงเห็นจังเห็นผลของบุญของบาปที่เกิดขึ้นในใจของเขาทันทีทันใดก็ทำให้เขาเข้าหาศาสนาพุทธอย่างง่ายได้และรวดเร็วเพราะเนินองทีเขาอาจจะเป็นพุทธอยู่แล้วก็ได้ส่วนคนไทยบางคนที่เกิดในในประเทศที่มีศาสนาพุทธกับเข้าไม่ถึงศาสนาพุทธก็ไม่เยอะแยะกับถูกศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรดูดไป พวกมูทั้งหลายเนี่ยพวกให้เชื่อพระเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นพุทธเลยพวกนี้พวกนี้ เ, เป็นพวกพวกฮินดูเป็นพวกที่ชอบนับถือพวกเทพเจ้าต่างๆขอพรจากเทพเจ้าซึ่งไม่มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธศานะนสนาพระอาจารให้เราสร้างพรขอพรในตัวของเราเอ ง, เองด้วยการกระทำของา ศาสนาพุทธสอนให้ทําไม่ได้สอนให้ขอเปนศาสนารมไม่ใช่ศาสนาขอเพราะขอไม่ได้ของพวกนี้ความสุขความเจริญการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเองโดยอาศัยคําสอนของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพั้นคนไทยเนี่ยอาชาติก่อนอาจจะเป็นนับถือศาสนาอื่นมา ไหว้เจ้าไหว้ผีไหว่ต่างๆพว่ า, ว า, เ, า, เ, าเกิดมันเจอศาสนาพุทธก็ไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยสอนเรื่องกฎแห่งกรไมก็ไม่เข้าใจสอนให้เรื่องการปฏิบัติเขาไม่เข้าใจรู้อยู่เดียวว่าต้องขอขอแล้วจะร่าจะรวยอยากจะเจริญในโลกธรรมแสดาว่าพวกนี้ไม่ได้มีพูดเป็นไม่เคยนับถึงศาสนา พ, พุทธมาในอดีต ถึงแม้ว่าเจอศาสนาพุทธในชาตินี้ก็ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนเลยสามีเพิ่งเสียชีวิตไปเสื้อผ้าสามีต้องเอาไปทำพิธีอะไรหรือเปล่าครับก่อนจะว่าเอาไปบริจาคครับไม่ต้องเราทำความสะอาดสั้นหลายแล้วกันอย่าให้มันเปิดนั้นจะจากของของขอ ง, ของให้คอบคุณก็คนจะทำให้มันดูแล้วมันน่ายินดีถ้าเรา พอเป็นได้มืนกัเป็นของใหม่ได้ยิ่งดีคนเห็นยากก็จะได้เขากกจะได้มีความสุขจากการที่เราได้เอาของมาแจากไม่ใช่เอาของที่ไม่ดีมาแจากเขาเก็อาจจะเอาไปซกักเอาไปรีดให้เป็เรียแล้วแล้วก็ใส่ถุงวัสดิ์กันอะไรเหมือนกับของเลี้ยงขายในร้านอย่างเงี้ยมาไปแจกจะมีคุณค่ามากกว่าการที่เราจะเอาแบบของเก่าๆอยู่ในตู้ก็ เ, เอามาแล้วก็มากองๆไว้แล้วก็ไปแจก มันเมืนเป็นทองไม่มีคุณค่าเลยคุณอารยาครับการที่เราไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านขึ้นหิ้งพระไม่ได้บุญเลยใช่ไหมครับไม่ได้บุญเลยนิมิตที่เกิดทําให้เครียดทํำยังไงดีครับตอนนี้เลิกนั่งสมาธินิมิตจึงไม่ค่อยเกิดครับเพอเรานั่งสมาธิไม่ถูกหลักเนี่ย แล้นั่งโดยไม่มีสตินั่งหลับตาแล้วก็ปล่อยให้จิตจินตนาการไปต่างๆนาน า, น า, นานมันก็เลยทําให้เกิดไม่มีตต่างๆขึ้นมาวิธีย่านั่งทำให้มันเกิดนี้ไม่คือต้องมีสติกํากับใจพุทธานุสติก็ให้เราเกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอานาปนาสติก็ให้นัเลือกดูลมหายใจเขาออกไปเรื่อยๆถ้าม่มีสติกํากับใจแล้วไม่มีต่างๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ที่จะเกดิดขึ้นก็คือความสงบความเย็นความสบายความสุขที่เกิดจากการมีสติควบคุมใจคุณรัชนีครับจิตรวมแบบตื้นๆลงไปแป๊บเดียวแล้วถอยกลับมาพุดโธกับจิตรวมดิ่งลึกแบบวู้ไปเลยลึกแตกต่างกันอย่างไรครับก็ลึกกับตื้นมันก็ต่างกันนะสั้นหรือยาวจิต สมาธิแรกๆก็ลองสติมีน้อยก็ลงไปไม่ลึกลงไปปั๊บเดี๋ยวแล้วก็ถอยออกมาถ้าปฏิบัติต่ตอไปเพิ่มสติให้มากขึ้นจำลองสติให้มากขึ้นถ้าไปจิตรวมก็จำลองลึกเล้นอยู่ได้นานกว่า<ม><ม>เรียกอัปนาสมาธิกับคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเป็นความจิตรวมแบบมูลแลบลินเหมือนฟ้าแลบสงบปั๊บเดียวแล้วก็ถอยออกมา ส่วนอัปน า, มาสมาได้สงบนั่งอยู่นานเป็นหน้าที่ขึ้นไปถ้ามีความจำเป็นจะต้องซื้อสุราให้เพื่องานสังสรรค์แต่เราไม่เต็มใจให้สุราอย่างนี้เราบาปไหมครับซื้อสุราแต่ไม่ให้สุราเนี่ยเรไม่ไงไม่บาปคือ <c oughs> อาจจะมีหน้าที่ไปซื้อสุรามาแต่ไม่ได้เต็มใจอะครับเลยถามว่าบาปไหครับไม่บาปเลย ถ้าเราไม่ได้ดื่มเองแม้กระทั่งคนดื่มเองก็ยังไม่บาปสุราดื่มสุราในตัวของมันเองยังไม่ถึงว่าบาปเพราะว่ามันเป็นเป็นการดื่มเครื่องดื่มเข้าไปยังไม่ได้ไปทําบาปแต่อย่างไดแต่การดื่มสุรามันทําให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้พอมึนเมาแล้วถ้าคิดจะทําบาปหรือพูดไม่ดีมันก็จะปล่อยออกมา ท, าทันทีถึงห้ามไม่ให้ดื่มสุรา เพราะการเหนื่องานจะทําให้ขาดสติขาดเครื่องควบคุมใจนั่นเองสเติเป็นเครื่องควบคุมใจสังเกตดูคนที่เมากับคนที่ไม่เมานเป็นคนเดียวกันแต่เป็นคนละคนธรรวดามไม่เมานี่ยเป็นกิริยาการเรียบร้อยสภาพเรียบร้อยแต่พอเวลาเกิดอาการมืนเมาขึ้นมาแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยกิริยาอาการหยาบคายการพูดการกะระทํำเลยอาจจะทั้ง ก, การสร้างความเสียหายเลื่อนน้อยนักจากผู้ ก็ได้นั่นถึงรวมสุราเข้าไปในศี่ห้าด้วยเพื่อที่จะเป็นตัวที่จะมาคอยยักยั้งห้ามควบคุมการกระทำบาป อ, อีกขั้นหนึ่งท่าิหน้าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายจะต้องทําอย่างไรครับก็ต้องทํานิสัยให้เป็นผู้ชายผู้ชายก็เป็นนิสัยแบบไห น, นก็ต้องฝึกนิสัยของผู้ชายจอหดบึกเบิ่น ไม่ชอบเครื่องพวกสำอางต่างๆไม่ชอบของอะไรจุกจิกแบบที่ผู้หญิงก็ชอบอันมาชอบของที่ผู้ชายชอบนะ<ม>ผู้ชายชอบทรหดอดทนเล่นกีฬาออกกำลังกายมีความกล้าหาญอะไรต่างๆนี่นต้องฝึกนิสัย ข, ของผู้ชายแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นผู้ชายขึ้นมาได้คุณชีสครับ อยากได้ข้อคิดสั้นๆเพื่อลดความกลัวว่าจะวางใจแบบไหนดีคือกําลังจะผ่าตัดเนื้องอกบนลูกสิ้นเดือนแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตครับคือความกลัวมันเกิดจากความที่เรายังไม่อยากตายไม่อยา ก, ยากเจ็บนั่นเองก็เลยทาให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาแต่เราก็ต้องยอมมองความจริงว่าร่างกายของเรามันต้อ ง, องแก่มันจะต้องเจ็บแล้วมันจะต้องตายวันใดวันหนึ่งไม่มีใครยับยั้งห้ามมันได้ เหนเาก็ต้องพยายามสอนใจว่าเรา่างกายของเราไม่ใช่เราเราเป็นเพียงแต่ผู้มาใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่มันจะต้องเสียแล้วที่เราจะต้องเอาไปเข้าอู่ซ่อมหรือบางทีมันอาจจะต้องหายไปถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะลดความกลัวลงได้เยอะแล้วถ้ายังกลัวอยู่ก็ให้ใช้สติช่วย ใ, ใช้คำว่าเลยคำพุดเถพุดเถอะขณะที่เรามีความรู้สึกกลัว ตอน ท, ที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเาวร่างกายไม่ใช่เป็นเาวแต่เรายังกลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่ยังทําใจไม่ได้ก็ต้องอาใั้การเจริญสติให้จิตให้ให้ให้จิตสงบลงถ้าจิตสงบลงได้มันก็จะสามารถที่จะยอมรับความความเจ็บความตายได้ต่อไปยังก็ต้องฝึกทั้งสติฝึกทั้งปัญญาสติก็เคยก็เคยทาใจให้สงบให้ให้นิให้เป็นอุเบกขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ส่วนปัญญาก็คอยสอนใจว่าน่างกายไม่ใช่ตัวเราน่างกายเป็นของไม่เที่ยง ม, มันจะต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเหมือนกันทุกคนก่อนจะนอนควรจะสวดมนต์บทไหนดีครับสวดบทไหนก็นได้ที่เราถนัดการสวดมนต์ในความจริงก็เป็นการฝึกทําสมาธิแบบหยาบๆ บ, บางคนยังนั่งเฉยๆดูลมหายใจไม่ได้ก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อน การสวดบนก็จะเป็นการเจริญธรรมานุสติใช้สติใช้การสวดมนต์บทธรรมะนี่เป็นเป็นอารมณ์ในการทำให้มีสติทำให้ใจสงบลงถ้าสวดไปเรื่อยๆต่อไปพอมีสติเพิ่มมขึ้นเราก็จะสามารถนักสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องสวดก็ได้คุณอนุชาครับ เวลาที่เราทุกข์ใจมากๆเราควรทำยังไงดีมันมีแต่ความอยากตายแต่ก็ได้ฟังธรรมว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปครับก็ต้องใช้คาํคาสาวพระเจ้าอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้เกิดตัณหาเกิดจากตัณหาความอยากของเราเองอยากไม่อยางไม่เจ็บไข้ไม้ป่วยอยางไม่ตายเพราะเราไปเป็นโรคมาเป็งหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้เพียงหกเดือนเงนี้ยเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นมา เพราะเรายัางมีความอยากอยู่ยังมีความอยากไม่ตายแต่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจมาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายนู่พ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้สอนให้จิตยอมรับความจริงสอนื่อถ้ายังไม่ยอมรับความจริงก็ต้องฝึกทำเจนวญสติทำให้จิตสงบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะทาให้ใจเราหายกลัวได้ หายทุกได้นี่ต้องมาหาันมาดูที่เหตุของความความทุกข์ใจก็คือความอยากอยากได้หรืออยากไม่ได้อยากเป็นหรืออยากไม่เป็นอะไรเหล่านี้มันเป็นเหตุที่ทาให้ใจเราทุกข์ขึ้นถ้าเราสวดมนต์คาถาเรียกเงินล้านแล้วเงินจะเข้ามาจริงไหมครับก็ยว่ามีเศรษฐีเต็มบ้านเต็มเมืองกันหม ด, หมดนะ yeah. ก็ลองทำดูสิถ้าเป็นของนี้ทาพิสูจน์ไงทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิสูจน์ถ้าจรสอนว่าอย่าไปเชื่อแบบมงมงายแ้วสอนให้ทำอะไรก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูถ้าทำแล้วได้เงินล้านเราก็จะรู้ว่าออกวิธีนี้เป็นวิธีหาเงินล้านเราก็จะได้เวลาที่เราหลับจิตอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดิมเหมือนตอนที่เราตื่นเพียงแต่ว่าตอนนั้นจิตไม่มีสติ ไม่มีการรับรู้อะไรปล่อยให้จิตอยู่ในภาวะของความหลับคุณสุธารัตน์ครับเรียนถามจิตคนที่ไม่รู้จักรักษาสีมจิตไม่รู้จักปล่อยวางมีความโกรธความเห็นแก่ตัวเวลานอนหลับระเมิดด่าพูดไปทั่วบางครั้งก็ร้องไห้หัวเราะควรจะช่วยเหลือทำอย่างไรดีครับเขาต้องฝึกสติถึงจะช่วย ฝึกสติฝึกปัญญาสติ ก, ก็คือคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมอารมณ์ต่างๆแล้วส่วนปัญญาก็ต้องเรียนรู้ว่าการไม่มีศีล น, นี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจทุกข์แล้วพอเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเขาถ้าเขาปฏิบัติตามได้ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็จะลดน้อยลงไป อยากจะหากรรมฐานที่สามารถทําอย่างต่อเนื่องทั้งวันขณะทํางานไปด้วยได้ครับก็พุโทโธนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งวันยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทําแล้วก็หยุดพุดโทโธไปแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดที่นเราใช้ใ ช, ใช้ใช้การทํางานแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดมึกซึ้งเราไม่จําเป็น ก, ก็ก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปกํากับกับงานที่เราทําอยู่ นอีกอย่างก็คือคอยใช้เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเรียาบทเป็นกรรมฐานได้เป็นเป็นการเจริญสติได้เขาเรียากกายยากตาสติคือดูว่าท่านกายกำลังทำอะไรกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังกินอาหารกำลังรับปรากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำของร่างกายให้ใจเข้าอยู่กับการกระทำของร่างกาย อย่าให้ใจลอยไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นั่ง น, นงนั่นงนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกสติได้ทั้งหมดคุณแคทครับในเมื่อพบมนุษย์เป็นพบที่สามารถสร้างบารมีได้ดังนั้นถ้าเราเสียชีวิตเปลี่ยนภพน่าจะกลับมาที่ภพมนุษย์ถูกต้องไหมครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเป็นเทวดาครับถ้าเราไม่ทาบุญเราก็ไม่ได้ไปเป็นเทวดา เราก็ต้องไม่ทํำบาปด้วยเพราะถ้าเราไปทํำบาปล้วก็จะไปเกิดในอบายก่อนไม่ใช้บาปในอบายก่อนจนกว่าบาปที่เราทามันหมดกําลังเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ฝึกสมาธิมาสิบกว่าปีทุกวันนี้จิตสงบเสมอยังฝึกสมาธิอยู่ทุกวันแต่ระหว่างวันจิตใจสงบมากอย่างนี้ปกติไหมครับ <c oughs> ถ้าสงบก็ถือว่าดีนะ เพียงแต้ว่ามันจะสงบน้อยนิดสงบมากแล้วควบคุมอารมณ์ทำให้อารมณ์โกรธต่างๆเบาบางลงครับความเครียดต่าง ๆ, าง ๆ, งาาางๆน้อยลงได้หรือเป่าคุณแอนครับสมัยเด็กแอบขโมยเศษเงินในตะก้าใส่เหรียญในห้องพระที่คุณย่าใส่ไว้โดยใช้วิธีกราบพระขออนุญาตเอาไปซื้อขนมโมเมลเองว่าท่านอนุญาตแล้วมาคิดตอนนี้รู้สึกผิดความผิดแบบเปเด็กแบบนี้ถือว่าผิดมากไหมครับ ก็ผิดตามตามตามจํานวนเงินที่เราขโมยไปนะขโมยเงินมากมันก็ผิดมากขโมยน้อยมันก็ผิดน้อยพระที่วัดรูปหนึ่งท่านอ่านหนังสือไม่เป็นท่องมนต์พิธีไม่ได้โยมจะไปสอนท่านอ่านได้ไหมครับถ้าท่านขอร้องก็ได้ถ้าท่านไม่ขอร้องไปสอนท่านยไะไม่ไม่ควร คุณกิกครับสถานะสัมภเวสีคือการรอไปเกิดนี่รับบุญอุทิศแบบเปรตได้ไหมครับคือคำว่าสัมภเวสีนี้หมายถึงดวงวิญญาณที่ยังเท่าไปไปเกิดต่อไปเกิดมาอยู่ไม่ได้หมายว่าต้องไปเป็นรตอาจจะไปเป็นเทวดาก็ได้อาจจะไปเป็นพรหมก็ได้อาจจะไปเป็นมนุษย์รอรอเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรืออาจจะไปเป็นเปรตก็ได้แล้วแต่สถานภาพที่ ก็จากการกระทำบุญหรือทำบาปของโนมวิญญาณตรงนั้ น, นผู้ที่จะรับบุญ อ, อุทิศได้ก็พวกเปรตพวกเดียวนั่นเองผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตรเรียกว่าเป็นคนบาปหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวกับบาปบุญมันอยู่ที่การกระทำดีชั่วนันเองการที่ไม่มีลูกมันอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นทำำางกรรมพันธ์ความบกพร่อของร่างกาย อะไรต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นบาปหรือเป็นบุญจะถามว่าการมีลูกดีหรือไม่ดีถ้ามองทางหลักธรรมก็ไม่ดีเมื่อมีลูกก็ต้องมาทุกกับลูกตรงเลี้ดูลูกต้องห่วงลูกต้องห่วงลูก้วต้องมาเสียใจเวลาลูกทําสิ่งที่ไม่ดีในเวลาลูกตายจากเราไปนั้นก็มีแต่ความทุกข์นถ้ามีลูกพระเจ้าบอกเป็นบวกบ่วงรับใจเรา ทำให้เราจะต้องคอยวิตกกังวลหวงอยกับเรื่องลูกๆของเราตลอดเวลาถ้าไม่มีปความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นยังถ้าถามว่าการมีลูกดีไม่ดเีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าการมีลูกเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนั่งสมาธิทำไมเจ็บขาข้างเดียวท า, ทางที่นั่งแบบสบายที่สุดแล้วครับ ก็ให like <sa iden blessing> ้รู <avirus> ้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ของบางอย่างไม่จาเป็นจะต้องรู้ว่าทำไมให้เรารู้วิธีจัดการกับมันก็จะดีกว่าวิธีจัดการกับมันก็คือเราอย่าไปสนใจปล่อยให้มันเจ็บไปเรามาเรามีสติอยู่กับการดูร่มมีสติอยู่กับการบริการพุทโธจะดีกว่าคุณบอครับ หากทำบาปโดยไม่มีเจตนาบาปไหมครับและการมีเจตนาอยากที่จะทำบาปแต่ไม่ได้ลงมือทำบาปไหมครับแล้วแบบไหนบาปมากกว่ากันครับถ้าไม่มีเจตนาทำบาปแล้วเกิดไปทำให้เกิดเกิดทอนเสียหายแก่ผูนะ้นมันมันไ ม, ม, นไ ม, ม่มันไม่มีบาปตรงที่ว่าใจไม่ต้องไปใช้ใช้บาปแต่อาจจะต้องไปใช้เวรว่าเราถ้าไม่มีเจตนาเราไปทำให้เขาเสียหาย เขาก็อาจจะมาฟ้องลงเราได้ท่านขับถไปเราไปชนเขาโดยที่ไม่มีเจตนาแล้วของรถท้องเกิดความเสียหายเข า, เขาก็ต้องเขาก็ต้อเรียกความเสียหายจากขึ้นออกมาอันนี้มันแต่ไม่เป็นบาปไม่ต้องไปตกนรกไม่ไปไปอบายแต่อย่างใดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการกระทำบาปการกระทำเราต้องมีสามปัจจัยด้วยกันว่าหนึ่งต้องมีเจตนาความตั้งใจสอง ม, มีการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ ก็มีผลที่เกิดก็มีการกระทําแล้วก็มีความเสียหายตามมาทันี้ถือว่าการกระทํำบาปมันครบองค์ประกอบถ้าทําบาปแต่ยังไม่เกิดความเสียหายตั้งใจไปฆ่าเขาแล้วไปยิงไปยิงไม่ถูกเขาอย่างนี้มันก็ยังไม่บาปบก็ยังไม่ตายโชคดีของเราไป เวลาที่นั่งสมาธิแล้วเหมือนจิตนิ่งไปเหมือนหลับแต่ไม่ได้หลับนะครับแบบนี้ถูกไหมครับอาจจะหลับครึ่งครึ่มมันอาจจะครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ว่าถานั่งสมาธิถ้าไม่หลับจริงๆถ้าจิตสงบเนี่ยมันจะตื่นมันจะเหมือนกับตอนที่เรานั่งคุยกันอย่างตอนนี้มันยังไม่มีอาการมันครึ่งหลับครึ่งตื่นมีคนบอกว่าอยากจะไปเจอพระอาจารย์ครับ อย่ามาเลยนะเจอที่นี่ดีที่สุดแล้วเนี่ยว่าที่มาที่กุฏิมันไม่มีเวลาพอคนที่มามาฟังเทศฟังธรรมเวลาเขาฟังเทศเสร็จเขาก็ลังเดินยืนเข้าแถวรอมาเข้ามาพบมาถวายของแล้วแค่ถวายของแล้วก็อาจจะขอถ่ายรูปหน่อยนัในเวลาก็หมดแล้วนั้นถ้าอยากจะคุยอยากจะทำอะไรเข้ามาทางนี้ดีที่สุด นอกจากนี้แล้วก็คืนวันพุธกม็มี ม, มีมีอีกรายการหนึ่งที่ไม่ประชุงเวลาสองทุ่เราสามารถเข้ามาในห้องสูงแล้วพูดคุยกันได้เหนี้เหมือน ก, กับคุณหมอที่คุยกับเราในตอนนี้คุณตระพันธ์ครับพวกที่โกงกินบ้านเมืองเขาไม่กลัวบาปกรรมกันบ้างเลยเขาไม่เชื่อเรื่องกรรมใช่หรือเปล่าครับถูกต้องแล้วเขาคิดว่าเป็นเรื่องโมเมเป็นเรื่องอมงมงาย เพราะว่าเขาไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเขาเห็นว่าตัวเขาเป็นแค่ร่างกายเมื่อร่างกายเขาตายไปก็จบแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถจะจับคนตายไปติดคุกติดตารางได้เขาก็เลยไม่กลัวลณขณะขณะที่อยู่ก็สามารถใช้เงินทองที่ขามาโดยมิชอบนี้มาปกป้องไม่ให้เขาต้องไปรับผลบาปในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ก็คือไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้เขาก็ั้นไม่กลัวบาป แต่เวลาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปอยู่ในสภาพไหนต่อไปถามนี้ต่อเลยครับอาจารย์แล้วดวงจิตที่จะได้เกิดเลือกพ่อแม่ที่รวยหรือจนได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับการที่เราขับรถไปหาที่จอดรถเนี่ยมันจะเป็นเลือกที่จอดว่าจะเอาชีจอดสำหรับ VIP ไม่ได้เพราะไม่มีใครจะเก็บที่พิเศษไมาให้กับเรา นะครับเวลาเราจะจอดรถเราขับไปเรื่อยๆตอนมีช่องว่างตรงไหนล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดการมาเกดก็มนันลักษณะแบบนั้นถึงเวลาที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็โคจรไปหาร่างกายจังหวะไหนมีร่างกายที่กําลังตั้งครรภ์อยู่กำลังกรอบตัวอยู่เข้าไปร่วมร่วมด้วยวก็จะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น เป็นมะเร็งแต่ไม่กลัวตายร่างกายไม่ใช่ของเราสักวันเราก็ต้องไปคิดอย่างนี้ถูกไหมครับานล้วก็ต้องทาใจให้ได้ต้องยอมรับให้ได้ต้องยอมรับเลยถ้าเราไม่ทุกกับมันให้ได้ถ้าทุกก็แสดงว่าอย่างใจยังไม่ยอมรับไม่ได้กิเลสคือความอยากมันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมนะมันยังไม่อยากตายเราก็ต้องลดกําลังของกิเลสลงด้วยการทําใจให้สงบ พ, พยายามเจริญสติพุโทโธพุโทโธกันเรื่อย แล้ว ก, กำลังของกิเลมันก็จะเบาลงความไม่ยอมรับก็จะน้อยลงไปแล้วการยอมรับก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปคุณวราถินครับมนุษย์ทุกคนมีเทวดาคุ้มครองทุกคนหรือไม่ครับไม่มีหรอกเฉพาะบางคนทั้นงนัานหลักของของเมตตาการเจริญเมตตานี้ท่านแสดงว่า หนึ่งในสองของผู้มีความเมตตาก็คือจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะเป็นที่นั่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้อันนี้สองของการที่มีความเมตตาเทวดาเขาก็ชอบคนดีเขาก็อยากสนับสนุนคนดีคนเชื่อก็ไม่เอาด้วยวเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็ น, ปนไปส่งเสียให้คนไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้ การทําการุญยาฆ่าตามพระพุทธศาสนาถือว่าบาปไหมครับบาปเป็นการฆ่าเหมือนกันเวลาเรานั่งสมาธิทําไมเราต้องคิดไปทุกอย่างเลยครับเพราะเราไม่เคยหยุดคิดมาก่อนเนะี่เราไม่เคยควบคุมความคิดเนมะื่อนั่งสมาธิมันก็คิดไปเรื่อยๆแล้วเวลาเรานั่งบางทีสติที่เราจะมาควบคุมความคิดแค่มีกําลังน้อยมาก อาจจะบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธได้แค่สองสามวินาทีแล้วมันก็ไปนะนี่ถ้าอยากจะนั่งน้อยคิดน้อยก็ต้องพยายามหยุดความคิดก่อนที่เรามานั่งพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆในระหว่างวันให้พยายามลดความคิดลงด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธมาคอยกํากับมาคอยหยุดความคิดต่างๆแล้วพอเรามีกําลังสติมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นงานมานั่งสมาธิ ความคิดมันก็จะน้อยลงไปนี่นอาจจะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นอย่างได้อุม ป, ปยพงครับนมถั่วเหลืองถือว่าเป็นน้ําปานะไม่ครับพระสามารถจะฉันหลังเวลาวิกาลได้ไหมครับก็ตามตามสายของธรรมยุตนี่ถือว่าเป็นนมเป็นอาหารแต่ทางสายเอามาอนิกายก็ถือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนมไม่ได้เป็นอาหารดืมนดะ้ เป็นการแปลเพระวินัยของสองสองสายนี้อาจจะแปลต่างกันในบางข้อบางเรื่องถ้าเราเป็นคนดีปฏิบททัติธรรมทานศีลภาวนามาตลอดไม่ฆ่าสัตว์รักสัตว์เลี้ยงจุดสุ ด, ดท้ายเราจะไปเกิดเป็นสัตว์ไหมครับถ้าไม่ทํำบาป ก, ก็ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าไม่ได้ทำบาปด้วยด้วยความหล ง, งเช่นทําเป็นอาชีพเพราะคิดว่าต้องเป็นการเลี้ยงชีพของตนเอง ถ้าทําทํำบาปแบบนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้คุณพักครับเมื่อหมดบุญหรือหมดบาปแล้วต้องมาเริ่มต้นสะสมบุญใหม่ในโลกมนุษย์หรือเปล่าครับก็มาเริ่มทําใหม่ตามพอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีโอกาสมีจังหวะบางเวลาก็มีมีโอกาสมีจังหวะให้เราทําบุญเราโอกาสก็จะมีจังหวะมีเวลาที่จะมาบีบให้เราไปทแบบําบาปก็อยู่ที่เรา ว่าถ้าเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็อาจจะฝืนเวลาที่เราจะมีความรู้สึกว่าจะต้องทําบาปแล้วก็จะคอยห้ามเวลาที่ไม่ได้ทําบุญแล้วก็อาจจะคอยผลักดันคิดแต่หานื่องทำบุญไปอันนี้ก็แล้วแต่ว่านิสัยของเราที่เราฝึกฝนอบรมมาเนี่ยมีมากมีน้อยมปในทางบุญหรือทางบาปมันก็จะเป็นตัวที่คอยผลักดันให้เรามาทําบุญหรือทำบาปต่อไป บุญกับบาปที่เราได้สะสมไว้ในอดีตมันยังอาจจะไม่หมดเพราะช่วงนี้เราเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นช่วงที่บุญกับบาปมีกําลังเท่ากันไม่ได้หมายความว่าบุญกับบาปที่เราทําไว้นี่มันได้ใช้ไปหมดนะแต่เป็นจังหวะที่บุญก็ไม่สามารถถึงใจไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถถึงใจไปอยู่ในบาปได้ช่วงนั้นใจก็จะมาอยู่ที่พบของมนุษย์แต่บุญกับบาปที่เคยทำไว้ในอดีตที่ยังไม่ได้ส่งผลก็ยังมีอยู่ ก็เราให้เรามาเพิ่มว่าถ้าเราทําบาปเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันก็ทําให้บาปนี้มีกําลังมากกว่าบุญนะถ้าเกิดเราตายไปทันทีทันใดบาปที่มีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงเราไปเกิดในอบายต่อได้พี่สาวเป็นคนทำอาหารให้เราใส่บาตตอนเช้าทุกวันแต่เราก็ให้เงินพี่สาวทุกเดือนอย่างนี้เราได้บุญไหมครับเราได้บุญจากการให้ให้เงินแต่เราไม่ได้บุญจากการทําอาหาร พี่สาวก็อาจจะได้บุญจากการทำอาหารแต่ก็อาจจะไม่ได้บุญจากการเสียงเงินเพราะเขาไม่ได้เสียงเงินเป็นบุญกุลยานกันเป็นทานเป็นวัตถุทานให้เงินก็เป็นวัตถุทานการทำอาหารก็เป็นวิธียะเป็นการเจริญความเพียร เ, เป็นการรับใช้ผู้ช่วยเหลือผูอ้ก็เป็นบุญกุลยานกันการหลับ กับความตายเหมือนกันไหมครับส่วนตัวคิดว่าเหมือนกันเพราะไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับก็ต่างกันตรงที่ชั่วคราวก็ยาวไงถ้าตายก็ตายก็หลับยาวไปเลยเขาเรียกว่าหลับไม่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็คือความตายแต่ถ้านอนหลับหลับก็ยังมีการตื่นอยู่เท่ากับเป็นการนอนห ล, ลับแต่ขณะที่หลับกับขณะที่ตายเหมือนกันว่าเราจิตดวงใจไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ มุ่งกินดงใจก็ต the like like like right. so ้องใช้บุญหรือใช้บาปมาเป็นเครื่องมือในการสร้างเรื่องราวที่จะให้ใจได้เสกได้สัมผัสเพราะใจนี้ชอบชอบเรื่องราวต่างๆอยู่เฉยๆไม่มีเรื่องราวให้เสกมันไม่มันรู้สึกเหนาวรู้สึกหงุดหงิดเห็นเวลาที่ไม่มีร่างกายที่จะพาให้ไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเสกก็ต้องอาศัยบุญเรื่องเรื่องบุญหรือเรื่องบาปที่ได้ทาไว้มาสร้างเป็นเรื่องให้มาเสก ก็เป็นเรื่องของความฝันดีของของความฝันไม่ดีไปวันตอนที่เรานอนหลับถ้าเราฝันร้ายนแสดงว่าบาปนี้เป็นผู้ที่มีกําลังมากกว่าบุญเป็นผู้สร้างเรื่องเรื่องของฝันความฝันร้ายนี้เราได้ให้ได้เสภแต่ถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญเป็นผู้สร้างเรื่องที่ดีให้เราเสภเวลาตายไปก็เป็นแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะยาวกว่าเวลานอนหลับ อนหลับนี่มันเพียแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาเวลาตายนี่มันยาวก็พูดเปรียบเทียบตอนนอนหลับก็เหมือนดูหนังตัวอย่างมดนหนังตัวอย่างของมุญดูหนังตัวอย่างของบาปแต่เวลาตายไปนี่ดูหนังจริงยาวดูทั้งเรื่องเลยดูจกกักรมันจะหมดม้วนนะคนดลลาร์ดอลล่าครับ การเลี้ยงสัตว์แล้วขายลูกของสัตว์นั้นให้คนอื่นไปเลี้ยงต่อและเป็นรายได้ของเราถือเป็นบาปที่พักแม่พักลูกหรือไม่ครับถ้าเป็นเราทําบุญเพื่อแก้บาปได้ไหมครับคือมันก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการท่านนึงนี้มันเป็นเป็นบาปหรือเปล่าเพราะมันไม่รู้มัอนอยู่ในสี่ง้อไหนอาจจะอยู่ในการาไม่มีความเมตตาช่มากกว่า แต่ไม่ได้ค่าสัตว์ไม่ได้รักซ้ัไม่ได้ไะพูดผิดประเดนี้ไม่ได้โกหกหลอกลองมันก็แต่มันอาจจะได้รับได้รับประโยชน์จากการที่เราไปทาให้เขาพูดเขาทุกทข์อาีจกว่าเป็นบาปก็ได้เพราะเราไม่ต้องการที่ทาความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแต่โดยธรรมชาติของสัตว์มันก็จะอยู่ด้วยกันไม่นานพอลูกโตปั๊บ ดูแลตัวมันเองหน้มันก็มันก็ยากจากกันไปแล้วตัวใครตัวมันนะงั้นถ้าเราทำหน้ามีคนมาทาหน้าที่แทนแทนแม่เขาสัตว์ได้เลี้ยงลูกเยงสัตว์ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยฝันถึงคุณพ่อที่เสียไปแล้วในฝันท่านยิ้มแบบมีความสุขส่งมให้เราท่านอยู่ในภพภูมิที่ดีใช่ไหมครับก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งเราเองก็ได้ เป็นคารวาสสามารถเป็นอนาคามีได้ไหมครับได้เป็นอาณาหารก็ได้อยู่ที่ว่าละสัมยุนได้รือไม่เป็นอนาคามีก็ต้องละสัมยุนด้งยต่มห้าข้อให้ได้ตั้งแต่สกายทิฏฐิไปถึงการมาราคานั่นแหลไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเนอเป็นคารวาสถ้าละสัมยุนได้ก็เป็นพระหริยวบุคคลได้ คุณออนอนงค์ครับมงคลสามสิบเจ็ดข้อที่สามสิบเจ็ดจิตปรจาจักทุลีหมายความว่าอย่างไรครับก็ปราจากกิเลสไงทุลีก็คือกิเลสเครื่องซ่อมน้อ ง, งต่างๆแล้วว่าจิตบริสุดเนะข้าสู่นิพพานนะเข้าสุดท้ายก็นิพพานพอจิตไม่มีทิ้ร้ายทุนี้ก็จะเป็นจิตที่บ่อยสุทธิ์ผิดกระแสขึ้นมา ปล่อยเงินกู้ตีไก่ชนบาปไหมครับเงินกู้นี่มันก็เป็นการขายขายเงินเงินก็เป็นสินค้าอย่างหนึงก็อยู่ที่ว่าคิดแพงแล้วคิดถูกคิดแพงก็สแสดงว่าก็โหดร้ายทารุณแต่ถ้าคิดถูกคิดคิ ด, ค, ดคิดดอกถูกก็อาจจะไม่ไม่โหดร้ายเท่าไหร่ส่วนการชนไก่เนี่ยมันบาปตรงที่ว่าเราไปสร้างความทุกข์ทรมารให้กับไก่ ให้บางทีไก่กันถึงชนกันถึงค่ากันตายได้อันนี้ก็บ่าก็คิดดูถ้าเราเป็นไก่บ้างก็แล้วกันแล้วก็ให้เราไปไปไปชู้กับไก่ตัวนึ่งเราจะว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปดีทำลายร่างกายกันครับอืถ้าเราเจอคนกลั่นแกล้งอิจฉาใส่ความในงานเราควรทําอย่างไรครับเฉยๆไป อย่าไปตื่นเต้นตกใจอย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเจอทั้งสรรเสริญทั้งอธทรมเป็นเหมือนดินฟ้ากที่บางทีก็จะต้องเจอน้าท่วมบางทีก็ต้องเจอฝนแรงเราควบคุมบังคับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราไปตื่นเต้นมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไปเสียใจก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทาให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆเราควรจะทําใจให้เราไม่ทุกข์กับมันดีที่สุดก็คือเฉยๆไป ใส่บาตรทุกเช้าช่วยลดความที่เคยทําไม่ดีกับคนที่เราทําไว้ได้ไหมครับสิ่งที่เราทําไป่ได้เราไปลบล้างไม่ได้แต่จะลบล้างการกระทําไม่ดีของเราในอนาคตในปัจจุบันได้ถ้าเรามีความเมตตามากขึ้นการที่เราจะคิดไปทำร้ายผู้อนก็จะลดลดน้อยลงเพราะเราไม่อยากเราอยากจะช่วยผู้อนมากกว่าอยากจะไปทําร้ายเขา การใส่บาตนี่เป็นการฝึกความเมตตาความกรุณานอนภาวนาจนหลับไปผิดไหมครับไม่ผิดนะมันจะไม่ได้สมาธิไดคุณอีฟครับคาวาสามารถเอาชนะการมาราคะได้ไหมครับก็อย่างที่พูดนะใครก็สามารถเอาชนะได้ถ้ามีถ้ามีสมาธิและมีปัญญา ปัญญาก็คือต้องเห็นน่ากายเป็นอสุภาตลอดเวลานั่นก็มีสมาธิมีกําลังที่จะที่จะสู้กับกามาราคะเวลาที่เราเห็นอสุภาพแล้วแล้วเราก็มีสมาธิที่จะหยุดกามาราคะได้เป็นร้ายขายของแล้วต้องขายเหล้าขายบุหรี่ด้วยขายไปก็สับเพสัตตาไปไม่อยากทํามันบาปขนาดไหนเราควรจะทําอย่างไรครับ มันเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรจะทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นเขามึนเมาแล้วมันเขามึนเมาแล้วเขาอาจจะทำให้เขาไปทำบาปได้ง่ายไปสร้างความเสียหายแล้วให้แก่ผู้อื่นแต่การค้าขายแบบนี้ไม่เถอเป็นบาปเรียกว่ามิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสามาชีพคุณชาลีครับการปฏิบัติ ถ, ถ้าตึงมากสามารถวิปลาสได้หรือเปล่าครับ คือตึงหรไม่ตึงนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการวิปลาสเอาวิปราสก็คือความหลงถ้าถ้าปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาธรรมะก็อาจจะวิปลาสได้แต่ถ้ า, าศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าได้ศึกษากับครูาอาจารย์ที่เป็ประสบะการณ์โอกาสที่จะวิปลาสก็จะน้อยลงวิปลาสก็คือความหลงนั่นเองถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องมันความรู้ที่ถูกต้องนี่จะไม่ทําให้เราวิปลาส อาการเข่งตึงมากหรืหย่อนมากให้มันมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมตึงมากบางทีก็แทนที่จะเป็นประโยชน์กับจะเป็นอุปสรรคก็ได้เพราะมันกินกาลังของเราทําำเกานกาลั ง, ง เ, รเราก็อาจจะทําไม่ไหวขึ้นมาถ้าทําหยอ่อนทํำไม่ตึงก็อาจจะทําให้เราเจริญช้าทำได้น้อยเราก็ต้องรู้ก็รู้กําลังของเราว่าตรงไหนเป็นความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปวัชิมาสถานสายการ การนั่งสมาธิแล้วเจริญปัญญาต่อปฏิบัติอย่างไรครับต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเสหลังจากที่เราเสร็จจากสมาธิใจเราเริ่มคิดตงแต่งแล้วเราก็สามารถนึ่งใจมาคิดทางปัญญานะพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต่อไปไม่สวยไม่งามน้องชายไม่สวยไม่งาม คุณอมน ญ, ญาครับตอนเช้าบางวันสวดมนต์ไม่ทันไปสวดตอนทํากับข้าวตอนทํางานแต่สวดจนจบกรดน้ําแผ่แม่ตาอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าเรานั่งสวดเฉยๆอย่างเดียวเพระาะขณะที่สวดเราไปทำกับข้าวด้วยใจเราก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างบทสวดมนต์กับการทำกับข้าวสติก็จะไม่ค่อยได้เต็มร้อยเท่าไหร่ ถ้าอยู่ได้แต่น้อยก็นั่งเฉยแล้วก็สวดไปถ้าไม่ได้สวดมนเรานั่งสมาธิไปเลยได้ไหมครับได้ถ้าเรานั่งได้ก็ไม่ต้องสวดคนบางคนที่ต้องสวดก็นั่งนั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วใจลอยใจคิดมากก็เลยต้องใช้การสวดมันมันดึงใจให้นิ่งก่อนนิ่งพอที่จะนั่งสมาธิต่อได้ถึงางนั่งสมาธิต่อ คุณอีฟครับความไม่มีอัตตาตัวตนเป็นอย่างไรครับก็เหมือนต้นไม้ไงต้นไม้ไม่มีตัวตนเนื้อกุเิที่อยู่อาศัยรถยนต์นี้มันไม่มีตัวตนทันใดร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์มันไม่มีตัวตนแต่เราความหลงของเราเราไปคิดว่ามันมีตัวตนเราไปคิดว่าเราอยู่เราเป็นร่างกายอันนี้เป็นเพียงแต่ความคิดความหลงของเราเองเพียงร่างกายมันก็เหมือนกับรถยนต์กันหนึ่ง โทษทรัพย์เพ่องนไงผลบาปจะตกกับลูกหลานนักการเมืองที่กงบ้านกลงเมืองไหมครับไม่หรอกบาปใครบาปมันใครทำบาปก็ต้องรับผลบาปกรรมใครกรรมมันคุณพีโ ก, โกครับเทวดาสามารถอนุโมทนาบุญกับคนปฏิบัติภาวนาได้ไหมครับ น่าจะได้เนะี่ยถ้าเขารู้ว่าเรากำลังทำบุญทำอะไรอยู่ถ้าเขารู้เขาก็จะแสดงความยินดีได้คุณลาเซนครับถ้าเราทําดีกับคนชั่วเราได้บุญไหมครับได้ถ้า เ, าเช่นคนชั่วเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเราก็พาเข้าไปโรงพยาบาลไปรักษาอย่างนี้เราก็ทําบุญเพียง <c oughs> แต่ว่าเราต้องรู้จักขอบเขตของการทำํำ ทำบุกับคนชื่อหรือทาบุญในฐานะของอาการให้เขาอยู่ได้อยู่รอดเช่นเขาขาดปัจจัยสี่ขารอาหารก็ให้อาหารเขากินที่อยู่ก็ให้ที่อยู่เขาแต่เราจะไปทำโดยท่านเขามีกําลังที่จะไปทําร้ายผู้ได้ฉันตํำรวจเนี่เวลาจาับผู้ร้ายมาผู้ร้ายถูกยิงก็จะต้องส่งไปโรงพยาบาลรักษาตัว แตในขัะนตที่รักษาตัวก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเอาไม่ให้เขาให้เขาหนีไปได้เดี๋ยวถ้าเกิดรักษาให้เขาหายแล้วเขาหนีไปได้เดี๋ยวอาจจะไปทําร้ายผู้อื่นต่ออีกทีเราต้องเราทําความดีในในในระดับมนุษยธรรมก็คือรักษาชีวิตเขาไว้แต่เราจะไม่ทําจนกระทั่งปล่อยให้เขามีกําลังที่จะไปทําร้ายผู้อื่นต่อไปได้ก็ต้องมีมาตรการคอยควบคุม ค น, คนช่วยเวลาที่เราจะช่วยเขาไม่ใช่ช่วยเขาแบบงูเหา่าชาวนากับงูหเห่าเนี่ยงมันมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงนี้วันดีคืนดีกับงูเหา่ามันตกใจขึ้นมาแ ล, ล้วปวดขึ้นมามันอาจจะ ก, กัดเราได้เพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องให้งูเห่าไว้ในกรง ม, มันจะได้ไม่มากัดเราไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดแต่ไม่ได้กล่าวสมาทานศีลแปด จะได้บุญน้อยกว่าการกล่าวไหมครับไม่เกี่ยวกับการสมาทานเกี่ยวกับการรักษารักษาได้ก็ได้บุญรักษาไม่ได้ก็ไม่ได้บุญไม่ว่าจะสมาทานหรือไม่สมาทานเวลาที่เราเตือนคุณแม่ที่พูดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีหรือเวลาท่านโกรธหงุดหงิดอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปหรืแต่ไม่ควรทํำตัวเหมือนเป็นแม่แทน มันไม่ควรที่จะไปสั่งสอนแม่นอกจากว่าท่านถามเราว่าทำอย่านี้ดีไหมถูกไหมเราก็สามารถบอกได้แต่ถ้าอยู่ยดีๆแม่อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขานี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราเป็นลูกลูกเป็นผู้ที่เขารับคําสั่งสอนจากแม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่เป็นผู้ให้คําสั่งสอนกับแม่นอกจากว่าถ้าแม่ขอท่านั้นถึงจะสอนได้ถึงจะบอกได้ คุณสุริยาครับการปฏิบัติสมาธิภาวนาคำว่าพุโทโธทีทีหมายถึงอย่างไรครับก็ให้มันเร็วขึ้นเนี่ยทีทีบาทีเราพุโทโธชา้ชาๆยัง ม, มีช่องให้ใจวัาไปคิดงน้นนั่นนี้ได้แล้วก็ทำให้มันถี่ขึ้นหน่อยทำให้มันเร็วขึ้นนั่งสมาธิแล้วมีอาการหาวน้ำตาไหลเพราะอะไรครับเพราะเร่ไม่มีสติแล้วสติเรืน่นออนลงนะ ออการเชริมรับก็จะตามมาคุณพ่อเพิ่งเสียไปถ้าเราทําบุญให้ท่าน 50-100 วันกับโรงพยาบาลได้ไหมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ครับได้ทำบุญกับใครก็ได้ทําบุญกับวัดทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนทําบุญกับผู้ที่อยากไรก็ได้ได้บุญเหมือนกันสามารถอุทิศบุญหล่านี้ให้กับผู้ล่วงลับไปแลได้ คนที่คิดผิดเข้าใจว่าทําบุญไปเลือกผู้นําผิดมาปกครองประเทศคนนั้นบาปไหมครับก็ดูถึงว่าดูผลว่ามันเป็นยังไงถ้าไปเลือกคนที่ชั่วมาทําร้ายประเทศมันจะเป็นบุญได้ยังไงมันเป็นบุญต้องเลือกคนที่คนดีมาทําทําประโยชน์ให้กับประเทศดัง น, งนั้นถึงจะเป็นบุญเพราะคนดีคนผู้นําที่ดีก็จะทําให้บ้านเมืองสงบบ้านเมืองมีความสุขเราก็มีความสุข เราก็ได้บุญจากการชีอสนับสนนคนดีบุณแพทย์ครับหากเราต้องทำร้ายคนอื่นเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวจะทำให้เราไปเกิดเป็นอสุรกายหรือเ ป, เปล่าครับก็ก<ค>็<ะ>เป็นนะเพราะาเราไปทำบาปด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาทำร้ายเราแล้วเราไปทำร้ายเขาไป คอยมองดูความคิดตัวเองและระงับอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมไหมครับก็เป็นการเจราชสติอย่างหนึ่งใส่บาตรถ้าไม่จบขันข้าวได้บุญไหมครับได้เั้นเบืนี้ที่จบหรือไม่จบมันอยู่ที่ให้หรือไม่ให้ใส่หรือไม่ใส่บุญเกิดจากการใส่เกิดจากการกระทำ ธรรมยินการจบที่ถูกต้องนั้นก็คือให้เราอธิษฐานว่าขอให้เราได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่ อ, อยๆให้เราอธิษฐานที่เหตุแต่าไปอธิษฐานว่าขอให้ไปสวรรค์ไปนี่พานจากการใส่บาตรครั้งนี้อย่างนี้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเหตุเป็นผล <S <S การอธิษฐานนี่หมายถึงเป็นการเตือนใจสอนใจหรือบังคับใจให้เราทําบุญบ่อยๆทําบุญอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่สายบาตรว่าขอให้เราได้ใส่บาตรนี้ทุกวันเพื่อพรุ่งนี้เราก็จะได้มาใส่บาตรอีกรอบหนึ่ง คุณสัธิพัทน์ครับทำงานกับธุรกิจขายสุราบาปไหมครับไม่บาปหรอกสุราอย่างที่พูดมันไม่เป็นตัวที่เป็นตัวบาปตัวที่บาป ก, ก็คือว่ามันคนที่เดินสุราไปแล้วไม่มีสติคอยควบคุมความคิดการอา ข, ของตนแล้วไปพูดไปทําบาปนั้นนี่ท้งนั้นถึงจะเป็นบาปแต่สุราเป็นตัวที่จะคอยมาปลดามา มามาทำให้สติที่จะคอยย้ำยำ้งความคิดไม่ดีาการกระทําไม่ดีนี้ไม่ดีมันก็จะทำให้ทํำบาปได้ง่ายคนที่ขี้โกงไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อประเทศชาติได้รับผลกรรมอย่างไรครับก็จะเป็นคนแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เป็นคนที่ไม่ซื่อสตัตย์สัจนะครับ คุณวีละชัยครับพระโสดาบันรักษาศีลห้าได้ครบแล้วใช่ไหมครับใช่พระโสดาบันนี้จะไม่ทำบาปด้วยเด็ดขาดการทำธุรกิจรับจ้างถวายเพนหรือทำบุญแทนลูกค้าเช่นนี้แล้วเจ้าของธุรกิจและลูกค้าได้บุญด้วยหรือไม่ครับไม่ได้หรอว่าเราได้เงินเราได้ค่าจ้างถ้าเราทำโดยที่ไม่คิดค่าจ้างเราก็ถึงจะได้บุญ ที่เขามาสั่งไม่ช่วยทําบุญให้เขาหน่อยแต่เขาไม่ได้จ่ายเงินให้กับเราแล้วเราก็ทําให้เขาเอย่างเงี้ยอย่างนี้เราได้บุญคนที่มาสั่งไม่ได้บุญเพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินแต่ถ้าเขาจ่ายเงินเขาได้บุญแต่เราถ้าเรารับเงินเราก็จะไม่ได้บุญถ้าเราไม่อยากจะถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็รับเงินมาเนี้ยแล้วก็บริจาคให้กับวัดไปเราก็จะได้บุญเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์และพวกพ้องมีความหมายถึงอย่างไรครับ ก็เราเผ่าพันธุ์หมายถึงเผ่าพันธุ์ที่ดีนะชั่วไงถ้าเราทำบาปเราก็จะมีเผ่าพันธุ์ที่ชั่วถ้าเราทำบุญเราก็จะมีเผ่าพันธุ์ที่ดีคุณสุธารัตน์ครับตอนมีลูกดูแลแม่สามีแต่แม่สามีคิดกลัวตายคิดจะเป็นโรคนั้นโรคนี้คิดไปเรื่อยเปื่อยเอาแต่ใจลูกต้องใช้ความอดทนมากบางครั้งตัวเองต้องเหนื่อยใจท้อแท้แต่ลูกก็พยายามฝึกสมาธิ บางครั้งใจก็เศร้าใจเจ้าค่ะลูกควรทําอย Allison, ่างไรดีครับลูกควรปล่อยให้คุณแม่ก็คิดไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปอยากให้เขาคิดอย่างอื่นให้เราเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของเขาเขาเป็นคนขี้กลัวก็ปล่อยเขาคี้กลัวไปเราอย่าไปอยากให้เขาไม่คีดกลัวนั้นเองเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นส้มอย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยถ้าอยากให้เขาเป็นกล้วยแล้วก็เป็นส้มมันก็จะทําให้เราเครียดได้ แล้วต้องรู้ถ้าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงแล้ ว, ล ก, วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราก็จะไม่เครียดคืนไหนไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนจะฝันคล้ายเหมือนเห็นปีศาจแปลว่าเป็นบาปมากกว่าบุญใช่ไหมครับถ้าฝันไม่ดีก็เป็นบาปมากกว่าบุญนขนาดนั่งสมาธิไปสักพักจนนิ่ง แล้วเกิดวูบหลับจนหน้าผ่าไปกระแทกกับโต๊ะด้านหน้าแบบนี้คือยังไม่มีสติหรือกําลังสติน้อยหรืออาจจะเหนื่อยหรือพักผ่อนน้อยไปใช่ไหมครับใช่สติมีกําลังน้อยหรือไม่สามารถที่จะทําให้จิตเข้าสมาธิได้เลยเข้าพะวงหลับแทนกลางวันนั่งทํางานกลางคืนตบยุงนี่บาปแล้วควรทาอย่างไรครับยุงมันกัดเจ็บเลยตบมันตายครับ ก็มีสติให้มากขึ้นเราคิดถึงผลจาการกระทำบาปล้วต่อไปไดาจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาตกเราก็ได้ให้มีเฮเรโอตาปะให้มีโอตาปะคือความกลัวบบาปกลัวผลของบาปที่จะตามมาออดินถามนะครับคุณอีฟครับจิตเดิมแท้ปรับพัฒสอนแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับ คำว่าจิตเดิมแท้ก็เกิดเวลาจิตที่สงบเข้าสมาธิเนี่ยจิตก็จะอยู่ในสภาพแบบเดิมแท้คือไม่มีสัขงขารการคิดปรุงแต่งตา่างๆตอนนั้นจิตก็จะสงบมีคว้มสว่างสวัยขึ้นมามีความสงบสวา่างสวัยเป็นเป็นกําลังของสมาธิแต่พอเอาจากเอาจากออกจากสมาธิมาพอจิตนั่งคิดปรุงแต่งกิเลสที่ที่ตามมากับความคิดปรุงแต่งก็จะทําทให้จิต เริ่มมีอาการเศร้า อ, องตามมามาคิดถึงความโลภคิดถึงความโกรธคิดถึงความอยากต่างๆไม่เข้าใจคาว่านามรูปครับขอความไม่ตาพระอาจารย์ได้ครับคือนามรูปนี่เป็นส่วนประกอบของชีวิตพวกเราเพราะเราทุกคนนี่มีนามกับรูปรูปคืออะไรรูกคือร่างกายเรื่องรูปประการ รูปรขันธ์มีอยู่หนมีหนึ่งรูปมีหนึ่งขันธ์ก็คือร่างกายส่วนนามขันธ์นี้มีอยู่สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้อยู่ที่ใจเป็นส่วนประกอบของใจเวทนาคือความรู้สึกสุดทุกข์ไม่สุดไม่ทุกข์สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือการไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์จากตาหูจมูกเล่นกายเข้ามาที่ใจ รวมกันก็เป็นขันห้านามก็รูปนี่เป็นขันห้าโดยมีรูปรูปรูปรูปประขันเป็นหนึ่งแล้วก็นามปรขันเป็นสีน่รวมกันก็เป็นขันห้าวันนี้เราพูดสั้นๆเราเรียกนามกับรูปรูปกับนามไปแต่ความหมายก็คือขันห้านี่รู้สึกว่าบางครั้งจิตซึมเศร้าหมองต้องทํายังไงให้จิตเบิกบานผ่องใสครับก็ทําจิตให้สงบให้มีสติบ บริกรรพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลดความคิดปรุงต่างไปในทางความโลภความอยากต่างๆที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองเพราะใจเราไม่ได้ไปคิดถนความโลภความอยากต่างๆความเศร้าหมองก็จะหายไปใจก็จะเบิกบานขึ้นมามาการเร็ตครับเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจหรือบางครั้งพิจารณาอสุภะสักครู่จิตจะเข้าไปพบกับแสงคลายคลื่นน้าสบายๆ บางครั้งพิจารณาอาการต่างๆบางครั้งอยู่ตรงนั้นนิ่งๆเพรารู้สึกเหนื่อยคิดว่าเป็นการเจริญสมถะลูกทําถูกหรือไม่ครับไม่ถูกหรอกถ้าเวลานั่งสมาธิต้องไม่คิดอะไรเลยไม่พิจารณาอะไรเลยให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นองกภาวนาของเราถ้าดูลมก็ให้อยู่กับการดูลมเพียงอย่างเดียวถ้าใช้คำบาลีคำพุโทโธก็อยู่คําบาลีคำพุโทโธไปอย่างเดียวเมื่อให้ไปสังเกตไปรับรู้อะไทั้งสิ้นมี่แหลปรากอบขึ้นมาก็อยากไปสนใจ อย่าไปพิจารณาถ้าพิจารณานี้เป็นการคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่ง้วนั่งสมาธิไปนานเท่าไรก็จิตก็จะไม่สงบจิตก็จะไม่รวมเป็นสมาธิได้จะรู้ได้อย่างไรว่าคือภาวะพระโสดาบันครับโดยคร่าวๆก็คือรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราก็ปล่อยวางร่างกายไนดะ้ไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อน มันก็นเราเห็นร่างกายนี่เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นธาตุรู้กับจิตใจคือตัวเดียวกันไหมครับแล้วขันห้าคือรูปนามหรือกายใจไม่ใช่เราใช่ไหมครับ้ารู้ก็คือใจนี่ครับธารู้นี่มีความสามารถที่จะรู้มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่คือธาตุรู้ส่วนขันห้านี่ก็คือ ใจกับร่างกายใจก็คือนามขันสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาแล้วก็ร่างกายก็คือรูปขันที่เราเรียกสั้นๆวารูปนารูปขันกับนามขันรูปขันหนึ่งนามขันสี่โดยมก็เป็นขันห้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนเหมือนเป็นปรกากฏการทางธรรมชาติเหมือนฟ้ากับฝนตกแดดออก ไม่มีตัวตนแต่ันเป็นการปรากฏการของธรรมชาติของธาตุสี่ในน้ำลมไฟขันนนี้ก็เป็นปรากฏการของธาตุธาตร่างกายก็ประกอบด้วยธาตุสี่ในน้ำลมไฟสนใจก็คือธาตุรู้เวลาที่ใส่บาตร ท, ทาสังฆทานนำส่งบุญให้คนในครอบครัวได้ไหมครับบุญไทในบุญมัน้ไม่ไม่สามารถไปส่งบุญให้คนอื่นได้ คนนึงเขต้องทําบุญแล้วก็ฝากเราทําบุญนะเพราะว่าสามารถอุทิศบุญได้นั่งสมาธิ40นาทีถึง1ชั่วโมงพอไหมครับสำหรับ1วันครับมันไม่ได้อยู่ที่นั่งนานมันไม่เวลานนั่งว่งน า, นนงนานนงสงบจะไม่สงบถ้าไม่สง บ, บก็อาจจะต้องนั่งหลายชั่วโมงหลายรอบก็ได้แต่ถ้านั่งสงบได้บางทีนั่งแค่15นาทีก็สงบได้ ถ้านั่งสงบแล้วมันจะมันจะนั่งได้นานด้วยตัตโนมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาเวลานั่งนี่ไม่คนจะไปตั้งเวลาคนจะตั้งสติเพราะสติเป็นตัวที่จะทําให้ใจเราสงบหรือไม่สงบถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งได้สงบ น, นั่งได้นานแต่ถ้าเรานั่งไม่มีสติเราก็าั่งไม่สงบแล้วจะนั่งไม่ได้นานเพราะเราจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ คุณสุภาพครับถ้าแม่ที่บ่นลูกหลานเล่นการพนันแบบนี้เราต้องทําใจแบบไหนครับก็ลปล่อยท่านบ่นไปถ้าลูกหลานที่นี็กก็ถ้าแม่เตือนเรื่สอนในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเราก็คจะเชื่อเชื่อแม่เชื่อพ่อถ้าพ่อแม่บอกอย่าเล่นการพนันอะไมันเป็นอันวายอย่างมุกมันจะนํามาซึ่งความเสือ่อมเสียต่อไปได้เล่แล้วอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้อันนี้ถ้าเราเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เราก็ ก็คนที่จะฟังแล้วก็หยุดทําในสิ่งที่ไม่ดีหยุดกระทาในสิ่งที่ท่านเตือนท่านสอนไม่ให้เราทําแต่เราไปห้ามท่านบ่นไม่ได้ถ้าท่านอยากจะบ่นก็บ่อยท่านบนไปกรรมทายาทคืออะไรครับก็เป็น ผ, ผู้รับผลของกรรมเนี่ยเราทําบุญเราก็จะได้รับผลของกรรมเราเป็นทายาทของกรรมทายาทของบุญก็เกิดได้ไปเป็นเทวลา ภายาธของบาปก็จะได้เป็นไ ป, ไปนำลกูกไปไปเกิดในอบายจิตอยู่ตรงไหนที่ร่างกายครับไม่มีไม่ได้อยู่ในร่างกายเลยจิตอยู่อีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์เพียงแต่จิตสามารถส่งกระแสของวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกม้นกายได้เพื่อที่จะได้รับลูกเสียงกยลิ่นรสผลตภาพเพื่อส่งไปที่ให้ที่จิตอีกที จิตไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกกับธาตุที่ร่างกายนี้อยู่จิตมันยืนสมมุติเราเปรียบเทียบร่างกายที่อยู่บนโลกนี้แล้วจิตก็อยู่บนนงงจันทร์แต่สามารถติดต่อกันได้ด้วยกระแสะวิถีภาษาของวิญญาณนะะี่คืภาษาวิถีส่วนใหญ่สวดมนต์แต่ไม่ทราบความหมายของบทสวดอย่างนี้สวดแล้วได้บุญไหมครับถ้าสวดแบบไม่คิดปรุงแต่งจิตสงบก็ได้สมาธิ ถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องเข้าใจความหมายของบทที่เราสวนแล้วก็ต้องไปอ่านคำแปดูการสอบอารมณ์คืออะไรและจําเป็นต้องสอบไหมครับการสอบเราเพื่อดูว่าว่าใจเราเวลามีความทุกข์เราแก้ความทุกข์ได้หรือไม่เป็นการทดสอบก็จะถามว่าเวลาคุณโกรธขึ้นมาคุณจะง้าความโกรธได้หรือไม่คุณชูศักดิ์ครับ นั่งสมาธิรู้สึกตัวโยกต้องแก้ไขไหมครับและต้องแก้อย่างไรครับการที่สติอย่างถ้าเราถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีสติตัวมันก็จะโยกนให้เราดึงสติกลับมาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วอากาศตัวโยกก็จะไม่มีสวดมนต์ที่วัดบางทีก็อ่านหนังสือสวดมนต์ไม่ถูกบาปไหมครับไม่บาป คุณกิฟครับทําหมันหมาแมวเพราะไม่ต้องการให้เขามีลูกอีกเพราะไม่ต้องการมีภาระเพิ่มถ้าเขามีลูกเพิ่มบาปไหมครับไม่บาปคุณเซดีวันครับตอนที่เรากําลังตื่นเต้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะทําหรือกําลังถึงเวลาที่เราต้องพูดนําเสนองานเราจะกําจัดความตื่นเต้นนี้ออกจากเวลาช่วงนั้นได้อย่างไรครับก็สงบสติอารมณ์เวลามันตื่นเต้นเราก็ต้องใช้ สมาธิใช้สติให้ใจสง บ, บลงแล้วอาการตื่นเต้นก็จะหายไปเช่นคำเริกคำพุโทโธพุโทโธก่อนแล้วนั่งดูลมาหายใจเขาออกก่อนที่เราจะไปพูดไปทําอะไรถ้าเรายังตื่นเต้นอยู่เราก็ต้องสง บ, บสติอารมณ์ให้ก่อนเวลาไหว้พระสวดมนต์เสียงไม่ดังได้ไหมครับได้สวนในใจก็ได้ไม่ต้องอกเสียง ส่วนหาใจได้ยิาจะดีกว่าจะได้ไม่รบกวนเขาเลนั่งสมาธิแล้วอึดอัดครับมีวิธีแก้ไหมครับสติมีกําลังน้อยสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกําลังมากกว่ากิเลสอยากจะออกอยากจะเริ่มนั่งมันก็เลยทําให้การการอึดอัดขึ้นมาแต่ถ้าสติมีกําลังมากกว่ากิเลสใจก็จะทส่ง อ, อกแล้วก็จะนั่งได้นานไม่รู้สึกอึดอัด น้นเราพยายามฝึกสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งมีิตรรู้สึกไม่พอใจพ่อแม่ในสิ่งที่ท่านทํากับเราแต่ก็รู้สึกผิดที่หลังที่ทําที่ทํากับพ่อแม่ควรวางใจตัวเองยังไงไม่ให้รู้สึกไม่ดีเวลาที่ไม่พอใจสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเราครับก็พยายามระงับความไม่พอใจคิดถึงบุญคุณของพ่อแม่คิดถึงความปรารถนาดีของพ่อแม่ว่าพ่อแม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อให้เรา อยู่ยังไม่ความสุขบางทีสิ่งที่เราท่านอยากจะให้เราทําอาจจะไม่ถูกใจเราแล้วก็เลยไม่พอใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องกิเลสของเราให้เราคิดอย่างนี้แล้วพอเกิดความไม่พอใจก็พยายามใช้สตริรังงับใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปโกปรธพ่อแม่อย่าไปรับขาดพราะแม่อย่าไปไม่พอใจพ่อแม่เพ่อแม่ม่แต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีเราก็คนจะน้อมเข้ามา น้อมในคาสอนคำ ส, คำสอนท่านมาพิจารณาถ้าเป็นคำสองเป็นค ำ, คำสอนที่ถูกที่มีผุญมีประโยชน์เราก็ทําตามถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องทําตามท่านเองแต่เราไม่ต้องไปมีความไม่พอใจกับท่านแต่อย่างใดใส่บาทออนไลน์ได้บุญไหมครับและผู้รับจะได้ไหมครับได้ คุณเที่ยวไปเรื่อยบอกว่าถามว่าตอนพระอาจารย์บวชตัดเรื่องเพื่อนๆและครอบครัวดได้หมดเลยไหมครับก็วเวลาที่เราปฏิบัติแล้วไม่ได้ยุ่กับใครแ ล, แล้วก็อยู่ของเราคนเดียวไม่เคยไปติดต่อหรืใครไปหาใครคุณยุทธนาครับถ้าเราจะไปบวชชีตลอดที่วัดมีกฎอะไรไหมครับก็ลแต่ที่วัดแต่ละวัดก็อาจจะมีกฎกติกาที่ไม่เหมือนกัน เราก็น้อมไศึกษาทำที่วัดหนึ่ว่าที่นี้กมีกดอะไรบ้างบาวัดให้ถือศีลแปดมุขขาวองคาวให้ลงโบสเช้าเย็นนั่งสมาธิอางวัก็าจะให้มีการช่วยทํางานในวัดนู่นเช่นทําวัดที่มีโรงครัวต้องอาหารมาเลียงพระเขาก็อจจะให้มาช่วยทํา ำ, ำงาาในโรงครัวช่วงเช้าช่วงนี้ต้องทำหลักข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ลวัดเขาจะมีภารกิจอะไรมีกฎอะไรเราก็ต้องศึกษา แต่ก็เราไม่เหมือนกับที่บ้านเล่นเหมือนกันอาจารย์กรับที่บ้านตาดมีโรงครัวอะไรไหมครับมีแต่แต่ไม่ท่านไม่ให้ับพาไปยุ่งไม่ให้คนที่มาอยู่ปฏิบัติปไปยุ่งจนใหญ่วันใหญ่จะเป็นคนให้ทําจากหมู่บ้านเข้ามาอาหารที่จะเลียงพระนี่จะให้ลูกศิษย์ที่อยู่อยู่ในหมู่บ้านทำกข้าวแล้วตอนเช้าก็จะขับรถมาส่งที่ศาลาเลยถ้าไม่จะมีโรงครัวก็ท่จะไม่ไดนทํากัน นอจากญาติโยมที่เข้ามาอยู่แล้วเขาจะมาเตรียมอาหารเพื่อเอามาเลี้ยงพระท่านที่เขาไม่มีงานที่จะต้องทําเป็นประจำเป็นเรื่องของของผู้ที่มาทําบุญผู้ที่มาอยู่ศึกษาปฏิบัติทรามแล้อยากจะทําอาหารเรื่อทําของอมาถวายพระก็มีน้องปู่ให้ทําได้ใส่บาตแล้วไม่ได้กรวดน้ำได้ไหมครับ คือถ้าจะอุทิศบุญเนี่ยสามารถอุทิศได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำอุทิศด้วยใจคิดระลึลกถึงผู้ที่น้อมรับไปแล้วลว่าขอให้ท่านได้มารับส่วนบุญส่วนนี้ก็ถือว่าเรื่กวดน้ําแล้วเนี่ ว, ว่ากวดน้ําโดยที่ไม่ต้องใช้การกวดน้ําคือการจิงการกวดน้ําก็คือการอุทิศบุญนั่นเองครับแล้วก็ถามต่อเลยว่าอุทิศบุญให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ครับได้แต่มัน มันช่วให้เขาไปทําบุญไม่ได้เพราะว่าบุญที่เราอุทิศนี้มันเป็นส่วนน้อยมากแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ตายไปแล้วเพราะว่าผู้ที่ตายไปแล้วเนี่นเขาทําบุญเองไม่ได้สำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่นี่ชวนเข้าไปทําบุญจะดีกว่าเขาจะได้บุญมากกว่าแต่บุญที่เราอุทิศให้กับเขาอุทิศไปให้เขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะมันน้อยมากแต่สำหว่าผู้ที่เป็นดวงวิญญาณนี่ไม้แต่บุญเล็กน้อย น้อยก็ยังดีกวไม่มีปุ่นะครับ น, นั่งสมาธิแล้วง่วงนอนหลับทุกครั้งครับเป็นกิเลสไหมครับเป็นไม่วานนะับเรียกว่าเป็นกิเลสก็ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเราต้องหาวิธีแก้ส่วนหนึ่งก็คือการลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงเช่นอย่าไปกินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็จะแก้ทําให้เกิดอาการง่วงนอนน่วงล้วหลัไปได้ ถ้าเราจะทําสิ่งต่างๆด้วยความไม่อยากควรวางใจยังไงถึงจะทํางานนั้นได้สําเร็จด้วยดีครับก็ทําตามเหตุตามผลเลยว่าเราต้องทําอะไรก็ทําไปส่วนผลจะออกมาอย่างไงก็ปล่อยให้มันไปตามเหตุไม่ไปดีใจเสียใจกับผลที่เกิดขึ้นตามใดที่เราทําเต็มที่ทํําทาเต็มกาลังตามสติปัญญาของเราแล้วผลออกมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจตอนนี้เห็นปัญหาเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์เห็นปัญหาหดอื่นเต็มไปหมดก็ได้แต่ทําเท่าที่เราทําได้ครับเด็กๆคาสอนอาจารย์ครับทําด้วยเหตุด้วยผลเหตุก็คือความสามารถของเราเรามีสงมือเราไม่ได้เป็นทศกัณฐ์มีสิบมือสิบหน้าสามารถจะทําอะไรได้เยอะแยะกันหมดเราก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วทนที่ออกมา ได้มากได้น้อยก็ต้องยอมรับครั บ, ก, บกับว่ามันเป็นผลวงเหตุที่เราทำได้เราเปมนความสามารถเทา่านี้ก็ทำได้เทา่านี้อย่าไปอยากทําหนือกำลังของเราแล้วพอไม่ใด้ผลเราก็อย่าเสียใจทุกข์ใจได้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับนักบวชกับคารวาทั่วไปต่างกันตรงที่นักบวชหาความสุขที่เที่ยงไม่สูญจากจิตใจแต่ ม, มนุษย์เสพความสุข จากสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเอาไปด้วยไม่ได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อ ง, องนเราบวชใหหาความสุขจากความสงบของใจที่เป็น ท, ที่อยู่กับใจไปกับใจแต่ารวะเสียความสุขจากสิ่งภายนอกใจคือรูปเสียงกลิ่นนนผลพหรือลาบยุทธนรสริญมันก็ต้องมีการพัดพากันเวลาตายเวลาจากกันเวลานั้นก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ จะทำอย่างไรไม่ให้เราโกรธแม้แต่วินาทีเดียวครับเราต้องมีสติปัญญาที่กําจัดกิเลสได้หมดขึ้นไปจากใจแล้วถ้าไม่มีกิเลสแล้วใจแล้วไม่มีวันโกรธอีกต่อไปคุณจันทวันโนครับการละรูปฌานอรูปฌานต้องมีฌานหรือเข้าฌานได้ก่อนจึงจะทําการละฌานนั้นผมเข้าใจถูกหรือผิดขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับ คือการรูปละรูปประชาแลนรูปประชานี้คือเป็นเรื่องที่เราทำหลังจากที่เราเราใช้รูปประชาเรื่องรูปประชาเป็นเครื่องมือในการมาละกามการมาลมก่อนนรับการมาลาครับเพราะถ้าเราไม่มีรูปประชาเรื่องรูปประชาใจเราจะไม่มีความสุขในตัวเองมันก็จะสายความสุขจากการเสกกรวมแต่พอเรามีความสุขจากรูปประชาเรื่องรูปประชาแล้วเราก็สามารถตัด การอาศัยความสุขของกามได้ทีนี้พอเราตัดความสุขของกามได้นะเราก็เราก็จะมาติดกับความสุขของรูปประชานหรืออารูประชานซึ่งมันก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะมันจะเกิดเกิดความสุขในขณะที่เราเข้าฌานเวลาเราไม่ได้เข้าฌานใจก็ไม่สงบพอใจไม่สงบเราอยากให้มันสงบเราก็จะมีความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นม อันนี้น็แสดงว่าเราต้องรับรูปประชานและรูปประชานเพราะว่าเราไม่มีจําเป็นจะต้องอาศัยรูปประชานหรือรูปประชานให้ความสุขกับเรแล้วเพราะว่ามันยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เราต้องการความสุขจากการไม่มีความอยากในรูปประชานและรูปประชานพอเราไม่มีความอยากแล้วความความความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากกับรูปประชานหรือรูปประชานมันก็จะไม่มีใจก็จะสงบเป็นนิพพานขึ้นมา ถ้าหากไปทำบุญให้กับพ่อแม่หรือญาติที่เสียไปแล้วเขาจะได้รับบุญไหมครับได้ถ้าเราทิดไปให้กับเขาถ้าเขารอรับอยู่ถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาไีบุญของเขาเขาก็ไม่มารอรับบุญของเราหากเราแต่งงานแล้วแต่ไปชอบดาราศิลปินแบบนี้เราผิดศีลไหมครับยังหรอกถ้าไม่ไปเป็นแฟนกับเขาไปร่วมลำลองอยู่เานับน คุณชนะครับสวดมนต์นั่งประเพียรแทนคุกเข่าได้ไหมครับถ้าไม่สะดวกได้ได้นังน่งท่าไหนก็ได้ถ้านั่งประเพียรไม่ได้ก็จะนั่งข้ยอีสวดไปก็ได้โยมปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วทุกวันนี้ชอบอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่กับสามีและลูกๆแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปคุณสิริครับ ตอนนี้อยากจะบวชปฏิบัติธรรมแต่ยังยึดติดความสบายทั้งโลกอยู่แต่รู้ว่าไม่เที่ยงและตายทิ้งไปเฉยๆเลยคิดว่าจะลองหาเวลาไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนสามารถละวางทั้งโลกได้แล้วค่อยไปบวชวิธีพอใช้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ไม่อก้ต้เราก็ไปฝึกก่อนไปซ้อมก่อนทำแบบไม่ได้เต็มรูปแบบทำในช่วงช่วงไหนที่เราสะดวกเราว่าแล้วก็เราไปอยู่แบบนั่บวชย เราดูว่าเราจะสามารถปรับตัวเราให้อยู่แบบนักบวชไปได้ตลอดหรือเปล่าพอเราทําได้เราก็ไปบวชได้นักการเมืองโกงเขาทําบุญไปด้วยเขาตกนรกไหมครับก็อยู่ที่ว่าบุญนี้ก็ทํามากกับบาปที่เขาทำหรือไม่ถ้าบุญเขาทามากกว่าบาปเขาก็ยังไม่ตึงเขารกเขาไปรับผลบุญก่อนแต่ถ้าบาปมากกว่าบุญบากก็จะดึงให้เขาไปนรกได้ คุณพัชรีครับเป็นคนเตรียมสเบียงอาหารในพ่อแม่ใส่บาตรแต่เราไม่ได้ใส่เองเราได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าเป็นของของใครของนี่จะถวายพระนี่นะ่นมันของพ่อแม่พ่อแม่ก็ได้บุญเราเองไ ด, ไ ด, ได้ได้บุญจากการสนับสนุนเราได้ได้บุญในการรับใช้พ่อแม่ช่วยทำบุญให้พ่อแม่ได้ทำบุญแต่ถ้ามันเป็นของของเราเนี่เราได้บุญพ่อแม่อาจจะไม่ได้บุญหนยก็ได้ วราแม่อาจจะได้บุญจากการที่ช่วยใส่ยบ่ายให้กับเรามันบุญคนลยอย่างนั่นเป็นสะพานบุญได้บุญเยอะมากแค่ไหนครับก็คืออยู่ก็ว่าเราเสียสละมากน้อยถ้าเราไม่เสียสะละอะไรก็ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ที่เราเป็นเพียงแต่เป็นคนที่รับของจากคนที่ทําบุญมาแล้วไปไปถวายแทนให้เขาองนี้ เราก็จะไม่ได้นะนอกจากบุญที่เกิดจากการนับใช้พูดและบุญที่เกิดจากการทําทานนี้เราไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้เสียสละข้าวของเงินทองเลยคุณสี่ดีวันครับเวลานั่งสมาธิแล้วจิตเราสงบไม่วอกแวกไม่รู้สึกอะไรเลยและเวลานั่งรู้สึกว่าตัวเบามากๆไม่มีขาไม่มีตัวรู้สึกโล่งและสบายใจมากๆแบบนี้เราเข้าถึงสมาธิจริงๆแล้วใช่ไหมครับ ก็จะเรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้จะแต่สมาธิเต็มเต็มร้อยหรือไม่นี่ก็อีกเรื่องหนึงนั่งสมาธิไปสักระยะแล้วแผ่เมตตาช่วงถอยจากสมาธิได้ไหมครับหรือแผ่เมตตาหลังลืมตาออกจากสมาธิครับก็ต้องเลิกจากการนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาแต่การแผ่เมตตาจ ร, จริงๆก็ไม่ได้แผ่ด้วยการสวดการแผ่เมตตาเน้นั้องรองไปพบกับคนที่เราต้องการจะแผ เช่นเจอคนที่มีปัญหากับเราเขาฟ้องเราเรามีคดีกันเราก็ไปเจอเขาในวันนุ่งขึ้นเขาบอกว่าผมไม่เอาเรื่องคุณแล้วไมยว่ยกฟ้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่เมตตาคือการไม่จองเวรจองกรรมกันหรือถ้าเราอยากให้คนอื่นก็มีความสุขตอนเช้าเราก็เวลาไปทํางานก็ซื้อของไปฝากคนเพื่อนที่ทํางานด้วยอย่างนี้ยก็เรียกว่าแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทํา ไม่ได้แผ่ในการสวดบทแผ่เมตตาการสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นการเพียงแต่ทบทวนวิธีการแผ่เมตตาเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้องนรับคำถามสุดท้ายครับาอาจารย์ครับทําไมเวลาป่วยหนะักจิตไม่สามารถภาวนาพุโทโธได้ต้องฝึกจิตอย่างไรบ้างครับเพราะว่าตอนที่ป่วยหนะักกิเลสมันจะเอามามีกําลังมากมันจะสร้างความ อยากอยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากให้ร่างกายไม่ตายมันก็เลยทําให้การสติของเรานี้มีกำลังน้อยไม่สามารถที่จะภาวนาได้เพฉนั้นต้องฝึกสติให้มากมากก่อนที่เราจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องซ้อมซูดซ้อมสติอยู่บ่อยๆฝึกสตินั่งสมาธิอยู่บ่อยๆต้องมีกาลังมากพอเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเกิความ กล้จะตายนี้เราก็จะได้มีสติมาช่วยยับยับความอยากไม่ไ ม, ไม่ไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราก็าจะสามารถทำใจให้สงบไม่ทุกข์กับความป่วยได้ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซหกร้อยเก้าสิบเอ็ดในยูหกร้อยสามสิบเอ็ดในคลับแปดใน t ิ k ตอกเจ็ด้อยเจ็ดสิบคนนะครับรวมมีเพื่อนๆ น, นฟังทำด้วยกันสองพันหนึ่งร้อยคนครับอาจารย์ครับอืม ก็ขึ่งสองพัน 1, 2, นี้ก็ถือว่า้างแล้วนะยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจมีฝ่ายทําเพราะการฝ่ายทํามนี่จะนำให้ท่าน ไ, ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางป่วนคือรถของวิมุตเตการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปการสนทนาธรรมสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตองเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพนิพิจาณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าโอกาสหน้าอาทิตย์หน้าไม่มีโอกัดเข้ากันได้ก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยขอเจริญพรกราบขอพระคุณพระอาจารย์ครับ